โอริมะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงฝั่งนี้และฝั่งโน้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังฝั่งนี้และฝั่งโน้นอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากปานาติบาเป็นฝั่งโน้นสองอธินนาทานเป็นฝั่งนี้ เจตนางดเว้นจากอาทินนาทานเป็นฝั่งโ น, น้น 3. กาเมสุมิชาจารเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชาจารเป็นฝั่งโ น, น้น 4. มุสาวาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นฝั่งโน้น 5. ปิสุณาวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นฝั่งโน้น 6. พรุสวาจาเป็นฝั่ง น, นี้ เจตนางดเว้นจากพุรุสวาจาเป็นฝั่งโน้นเจ็ดสัมผัปปลาปะเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลาปะเป็นฝั่งโน้น 8. อภิชาเป็นฝั่งนี้อนัภิชาเป็นฝั่งโน้น 9. ก้าพยาบาเป็นฝั่งนี้อภยาบาเป็นฝั่งโน้นสิบมิชาทิฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฐิเป็นฝั่งโ น, น้นภิกษุทั้งหลาย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 ยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกโอริมะสูที่สี่จบห <5. S 1> ปฐมอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาต 2. องธินนาทาน 3. กาเมสุมิฉาจาร 4. มุสาวาท 5. ปิสุนาวาจา 6. พภรุสวาจา 7. สัมสำผาปลาปะ แอภิชา 9. พยาบาท 10. มิชาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปาณาติบาต 2. เจตนางดเว้นจากอธินาทาน 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชาจารสี เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 5. เจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจา 7. เจตนางดเว้นจากสัมผัปปลาปะ 8. อนาพิชา 9. อภยาบาท 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์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 พระศาสดาทรงสรรเสริญแล้วและเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยยอ่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปหาท่านมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจักทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเรา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 พวกเราควรจะเข้าไปหาท่านมหากัจานะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจักทรงจําเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเราขอท่านมหากัจจานะจงจําแนกเถิดท่านพระมหากัจจนะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายละเลยพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเสีย สำคัญเนื้อความนี้ว่าควรถามข้าพเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นมีอยู่ก็มองข้ามรากและลำต้นไปเสียสำคัญกิ่งและใบว่าเป็นแก่นไม้ที่ตนพึงสแสวงหาพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญาณมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐ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 ถ้าท่านมหากัจานณะไม่มีความหนักใจแล้วขอจงจำแนกเถิดท่านพระมหากัจาณะกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีข้าพเจ้าจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจานณะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย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 สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. นึปานาติบาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุสุรธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุสุรธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นปัจจัย นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. องธินนาทานเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากอธินนาทานเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากอธินนาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. กาเมสุมิฉาจารเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากการเมสุมิฉาจารเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะการเมสุมิฉาจารเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากการเมสุมิฉาจารเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. มุสาวาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากมุสาวาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมุสาวาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากมุสาวาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. ปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุโสลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปิสุนาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนคุศสลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. กพรุสวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เจตนางดเว้นจากพุรสวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุโสธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะพุรสวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนคุโสธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากพุรสวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 7. จ็ดสัมผัพลาปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากสัมผัปลาปะ เป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุสุนธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสปลาปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนคุสุนธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 8. อภิชาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอนัภิชาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม บาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะอภิชาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สุนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะอนภิชาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 9. พยาบาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอภยาบาทเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์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 ภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคําท่านพระมหาจานะแล้วชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระมหาจานะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลาย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 ใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านมหากจาจณ์นี้แหละพระศาสดาทรงสรรเสริญแล้วและเพื่อนโรมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่อง ท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ทางที่ดีพวกเราควรเข้าไปหาท่านมหากจานะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจากทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเราครั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเข้าไปหาท่านมหากานะถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้ ท่านมหากัจานะได้จำแนกเนื้อความอย่างชัดเจนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละดีละมหากัจานะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากเธอทั้งหลายพึงเข้ามาหาเราแล้วถามเนื้อความนี้ถึงเราเองก็พึงตอบเนื้อความนี้ อย่างที่มหาการณะตอบแล้วนั่นเองนี้แหละเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้นและเธอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดทุติยอธรรมสูตรที่6จบเจ็ด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 หปาณาติบาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศสลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะปาณาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนคุศสลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. องิานาทานเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม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 เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชาจารย์เป็นสิ่งที่เป็นธรรมและถึง4มุสาวาตเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากมุสาวาตเป็นสิ่งที่เป็นธรรม5ปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม6พุศวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 7. สัมผัสปลาปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 8. อภิชาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอนัภิชาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม9พยาบาทเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอภยาบาทเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 10. มิชาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม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 ปานาติบาตมีโลภะเป็นเหตุสองปานติบาตมีโทสะเป็นเหตุสามปานติบาตมีโมหะเป็นเหตุอธินนาทานเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือหนึ่งอธินนาทานมีโลภะเป็นเหตุสองอธินนาทานมีโทสะเป็นเหตุสามอธินนาทานมีโมหะเป็นเหตุกาเมสุมิฉาจาร์เรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. การเมสุมิฉาจารมีโลภะเป็นเหตุ 2. การเมสุมิฉาจารมีโทสะเป็นเหตุ 3. มการเมสุมิฉาจารมีโมหะเป็นเหตุมุสาวาทเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. มุสาวาดมีโลภะเป็นเหตุ 2. มุสาวาดมีโทสะเป็นเหตุ 3. มุสาวาดมีโมหะเป็นเหตุ ปิสุนาวาจาเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. ปิสุนาวาจามีโลภะเป็นเหตุ 2. ปิสุนาวาจามีโทสะเป็นเหตุ 3. ปิสุนาวาจามีโมหะเป็นเหตุภรุสวาจาเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. นภารุสวาจามีโลภะเป็นเหตุ 2. อภรุสวาจามีโทสะเป็นเหตุ สาภรุสวาจามีโมหะเป็นเหตุสามภัพลาปะเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. สัมผัพลาปะมีโลภะเป็นเหตุ 2. สัมผัพลาปะมีโทสะเป็นเหตุสามสามภัปลาปะมีโมหะเป็นเหตุอภิชาเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. อภิชามีโลภะเป็นเหตุ 2. อภิอชามีโทสะเป็นเหตุ 3. อภิชามีโมหะเป็นเหตุพยาบาทเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. พยาบาทมีโลภะเป็นเหตุ 2. พยาบาทมีโทสะเป็นเหตุ 3. พยาบาทมีโมหะเป็นเหตุม <intersections upward S 1> ิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีสามอย่างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิมีโลภะเป็นเหตุ 2. มิชาทิฐิมีโทสะเป็นเหตุสมิชาทิฐิมีโมหะเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายโลภะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมโทสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมโมหะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมเพราะโลภะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปเพราะโทสะสิ้นไปเหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปเพราะโมหะสิ้นไป เหตุเกิดแห่งกรรมจึงสิ้นไปกรรมนิธานสูรที่8จบ 9. ปริกกรรมนิสูรว่าด้วยธรรมเป็นทางหลีกเลี่ยงภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นทางหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีกเลี่ยงธรรมนี้เป็นทางหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานตาิบาต เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ฆ่า <Alert> สัตว์ 2. เจตนางดเว้นจากอธินนาธานเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ลักทรัพย์ 3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เจตนางดเว้นจากมุสาวาทเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเท็จ 5. เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจา เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดสอเสียด 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดคาหยาบ 7. เจตนางดเว้นจากสัมผสปลาปะเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้พูดเพ้อเจอ 8. อนัพิชาเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. อภยาบาท เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้มีจิตยพยาบาท 10. สัมมาทิฐิเป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับบุคคลผู้เห็นผิดภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เป็นทางหลีกเลี่ยงมิใช่ธรรมไม่เป็นทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างนี้แลปริกรรมณสูตรที่9จบ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 เธอชอบใจความสะอาดของใครในายจุนทะกรรมระบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัตชอาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวงพวงมาลาัยสาหรายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์เหล่านั้นจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัตชอาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวงพวงมาลัยสาหราย บํมเรไฟลงน้ําเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสผู้พราหมณ์ชาวปัตชาภูมิผู้ถือน้ําเต้าสวมพวงมาลัยสารายบํมเรไฟลงน้ําเป็นวัดย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านควรลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าจับต้องแผ่นดิน ถ้าไม่จับต้องแผ่นดินต้องจับต้องโคไม่สดถ้าไม่จับต้องโคไไม่สดต้องจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดต้องบมเรอไฟถ้าไม่บมเรอไฟต้องประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ถ้าไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ต้องลงน้ำวันละสามครั้งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัตชาภูมิผู้ถือน้ำเต้า สวมพวงมาลาัยสาหรายบมเรอไฟลงน้ําเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้อย่างนี้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์เหล่านั้นจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัชฉาภูมิผู้ถือน้ําเต้าสวมพวงมาลัยสารายบมเรอไฟลงน้ําเป็นวัดบัญญัติความสะอาดไว้เป็นอย่างหนึ่งส่วนความสะอาดในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความสะอาดในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประธานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่เป็นความสะอาดในอริยวินยัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจุนทะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายจุนทะกรรมระบุทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า จุนทะความไม่สะอาดทางกายสามอย่างความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจสามอย่างความไม่สะอาดทางกายสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและในการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงสองเป็นผู้ลักทรัพย์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 ที่ประพฤติธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้แต่สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมลาลัยหมายไว้จุนทะความไม่สะอาดทางกายสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท้ำกลางหมู่ญาติ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 เป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิสี่เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินยัยพูดคำที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กาหนด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 โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติคะสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกจุนทะความไม่สะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละอกุศลกรรมบทสิประการนี้แหละที่บุคคลประกอบแล้ว เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่แม้จะจับต้องแผ่นดินก็ตามไม่จับต้องแผ่นดินก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้เลยแม้จะจับต้องโคลไมสดก็ตามไม่จับต้องโคลไมสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้แม้จะจับต้องหญ้าเขียวสดก็ตามไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้แม้จะบำเรอไฟก็ตามไม่บำเรอไฟก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้ แม้จะประคองอัญฉชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามไม่ประคองอัญฉชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้แม้จะลงน้าวันละสามครั้งก็ตามไม่ลงน้าวันละสามครั้งก็ตามก็เป็นผู้สะอาดไม่ได้อยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอากัสรกามรบท1ิประการนี้เป็นธรรมไม่สะอาดและเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่สะอาดจุนทะ เพราะเหตุที่ประกอบด้วยอกุศลกรรมมบทสิประการนี้จึงปรากฏมีทั้งนรกกำเนิดสัตว์โดยฉานภูมิแห่งเปรตหรือทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งแม่อื่นจุนทะความสะอาดทางกายสามอย่างความสะอาดทางวาจาสี่อย่างความสะอาดทางใจสมอย่างความสะอาดทางกายสมอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่ง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 คือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์ความสะอาดทางวาจาสี่อย่างเป็นอย่างนี้แหละความสะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา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 ทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิปากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปป า, าติกะสัตว์มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกจุนทะ ความสะอาดทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละกุศลกรรมบท1ิประการนี้ที่บุคคลประกอบแล้วเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่แม้จะจับต้องแผ่นดินก็ตามไม่จับต้องแผ่นดินก็ตา ม, ม, ต ก, ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะจับต้องโคไม่สดก็ตามไม่จับต้องโคไมสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะจับต้องหญ้าขวสดก็ตาม ไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะบำเรอไฟก็ตามไม่บำเรอไฟก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามไม่ประคองอัญชลีนอบน้อมดวงอาทิตย์ก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะลงน้ำวันละสามครั้งก็ตามไม่ลงน้ำวันละสามครั้งก็ตามก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกุศลกรรมบทสิประการนี้เป็นธรรมสะอาดและเป็นเหตุก่อให้เกิดความสะอาดจุนทะเพราะเหตุที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิประการนี้จึงปรากฏมีทั้งเทวดาและมนุษย์หรือสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วนายจุนทะกรรมระบุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาะสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจุนทสูตรที่สิบจบ